จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัพอบาศกอบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่ส5บห้ากุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 5 9เป็นวันพระวันธรรมสวนะัสดิะวันฝังธรรมวันที่เราจะมาสร้าง ที่พิ่งทางใจกันด้วยการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์จากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้แล้วเราต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อจะได้รับคำสอนเพื่อจะได้รู้จากวิธีสร้างที่พึ่ง ให้แก่ใจของเราไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์จากภัยอันตรายต่างๆได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะสอนให้พวกเรานี้สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ ความเจ็บความตายหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการพัดผาจากสิ่งที่เรารับจากบุคคลที่เรารั ב, บหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะต้องประสบ ก, กับข้อกรรมต่างๆแม้ว่าจะเป็นเขาะกรรมที่เกิดจากมนุษย์ด้วยกันหรือข้อกรรมที่เกิดจากอุบัติเหตุข้อกรรมที่เกิดจาก ภัยอันตรายต่างๆเช่นพายุวาตภัยน้ำท่วมอุทกภัยแผ่นดินไหวอากาศร้อนความอดอยากขาดแคลนอะไรต่างๆเหล่านี้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านได้หลุดพ้นแล้วอย่างแน่นอน เพราะว่าท่านไม่ต้องกลับมาเกิดแล้วนั่นเองถ้าเรายังเกิดอยู่เราก็ต้องมาเจอเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นี่แหละคือความวิเศษของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรายึดเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเพื่อให้ท่านได้นำทางพาให้เราได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะการเกิดนี่เป็นการ ขาหาความทุกข์ต่างๆอย่างที่ได้แสดงไว้แล้วเมื่อกี้นีน้ถ้าไม่เกิดก็ไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพร้าจากสิ่งที่เรารักจากบุคคลที่เรารักไม่มีความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการเจอกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนา จะไม่มีความทุกข์จากภัยต่างๆเช่นน้ำท่วมไฟไหมแผ่นดินไหวลมพายุหรืออุบัติเหตุทางรถยนต์หรือเจอภัยจากมนุษย์ด้วยกันที่อาจจะมาฆ่าเราหรืออาจจะมาทำลายทรัพย์สินของเราหรือมาทำลายบุคคลที่เรารักเราชอบ นภัยต่างๆเหล่านี้เกิดจากการที่เรามาเกิดกันถ้าเราไม่เกิดแล้วรับรองได้ว่าจะไม่มีภัยเหล่านี้และการไม่ได้มาเกิดก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสูญหายไปไหนเราก็อยู่บนสวรรค์ชั้นสูงสุดนั่นเองตอนนี้พระพุทธเจ้าพออาระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านไม่มีร่างกายเหมือนเรา แต่ท่านยังอยู่ท่านอยู่บนสวรรค์ชั้นนิพพานสวรรค์ชั้นนิพพานนี้เป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดสูงยิ่งกว่าของพรห์สูงยิ่งกว่าของเทพนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสามารถปฏิบัติทำให้พระ อ, องค์ได้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นสูงสุดคือสวรรค์ชั้นนิพพานเมื่อถึงพระนิพพานแล้ว ก็ไม่ต้องเสื่อมลงมาอีกต่อไปแต่ถ้าเป็นสวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ชั้นเทพนี่ยังมีวันเสื่อมไปเป็นพรหมแล้วพอบุญที่ส่งให้ไปเป็นพรหมหมดกำลังเหมือนกับน้ำมันรถพอน้ำมันลถก็หมดก็ต้องจอดต้องแวะสถานีบริการเพื่อเติมน้ำมันใหม่สถานีบริการหลวง ของพวกพรหมพวกเทวดานี้คืออะไรก็คือภพของมนุษย์นี่เอเพราะเวลาเป็นพรหมเป็นเทวดานี้ไม่ต้องเติมน้ำมันไม่ต้องเติมบุญมีแต่รับผลบุญแต่พอผลบุญที่ได้รับหมดแล้วก็ต้องกลับลงมาเติมบุญใหม่ที่จะเติมบุญได้ก็คือภพของมนุษย์ ถ้าเป็นภพอื่นเติมไม่ได้หรือเติมได้น้อยมากเช่นเป็นเทวดาเป็นพรหมนี้จะไม่มีโอกาสได้ทําบุญเหมือนกับพวกเรานะเพราะไม่มีพระไม่มีวัดไม่มีคนตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเรานะแต่ถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์นี้จะมีเหตุให้เราได้ทําบุญกันมีวัดมีพระ มีองค์กรสาธารณกุศลต่างๆมีโรงพยาบาลมีโรงเรียนมีคนชรามีเด็กพิการมีอะไรต่างๆที่จะเชิญให้เราได้ทำบุญกัน <Yeah. S 1> แต่ถ้าเป็นเทวดาก็มีแต่เที่ยวกันเล่นกันสนุกสนานเฮฮากันในสวรรค์ไม่มีคนแก่ไม่มีคนเจ็บ ไม่มีคนตายไม่มีคนพิการไม่มีคนเดือดร้อนจากภัยต่างๆสวรรค์นั้นเป็นเหมือนกับสถานที่เราไปท่องเที่ยวกันมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์แต่พอเราเที่ยวไปได้ระยะหนึ่งเงินที่เราเอาติดตัวไปก็หมดเช่นเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเราเที่ยวได้ระยะหนึ่ง พอเงินหมดพอไม่มีเงินจ่ายค่าโรงแรมไม่มีเงินจ่ายค่าอาหารไม่มีเงินจ่ายค่าท่องเที่ยวก็ต้องกลับมาบ้านกลับมาทำงานกลับมาหาหาเงินใหม่ชันใดพวกที่ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมก็เหมือนกับผู้ที่ไปท่องเที่ยวตา่ตางตา่างประเทศพอเงินหมดก็ต้องกลับมาบ้าน มาหางานใหม่มาหาเงินใหม่มาทํางานพวกที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นพวกที่กลับมาจากท่องเที่ยวถ้าเวลาตายไปแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์แล้วก็ยังมีอีกพวกหนึ่งที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่กลับมาไม่ได้กลับมาจากการท่องเที่ยวกลับมาจากการไปติดคุกติดตาราง ที่ไปของคนตายนี่มีสองที่ไปสวรรค์ก็เรียกว่าไปเที่ยวกันถ้าไปอบายก็เรียกว่าไปติดคุกติดตารางไปใช้หนี้ใช้กรรมกันพวกที่ไปอบายนี้ไปอย่างไรพวกนี้ตีตัวบาปไปคือไม่รักษาศีลเหมือนพวกเราที่วันนี้เรามาสมาทานรักษาศีลห้ากันแสดงว่าเราจะไม่ไปอบายกัน แต่พวกที่ไม่รักษาศี่ห้านี้แสดงว่าจองตั๋วไว้แล้วจองตั๋วจะไปอบายพวกที่ชอบฆ่าสัตว์รับทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดมดเท็โกหกหลอกลวงเสพสุรายาเมาและอบายามุกต่างๆเช่นการเล่นการพนันการเที่ยวเตะดูของเล่นของบันเทิงต่างๆ ความเกียดคร้านคบคนไม่ดีเป็นมิตรเที่ยวกลางคืนพวกนี้เรียกว่ากำลังตีตัวไปติดคุกติดตารางกันส่วนพวกมาวัดในวันพระมารักษาศีลมาทําบุญใส่บาตมานั่งสมาธิมาฟังเทศน์ฟังธรรมนี้เป็นพวกที่ตีตัวไปสวรรค์ชั้นเทพไปสวรรค์ชั้นพรหมไปสวรรค์ชั้นนิพพานกัน นี่คือเหมือนกับรถยนต์ที่เราเวลาน้ํามันหมดเราก็แวะจอดเติมน้ํามันถ้าเราจอดเติมน้ํามันเราไม่มีเงินเราเอาเอาปืนไปขู่ไปจี้ให้เขาเติมน้ํามันให้กับเราแล้วเดี๋ยวเราก็จะถูกเจ้าหน้าที่ตารวจมาจับเราไปเข้าคุกเข้าตำราคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์จึงมีสองพวกพวกที่ ออกมาจากคุกกับพวกที่กลับมาจากการท่องเที่ยวพวกที่กลับมาจากการท่องเที่ยวนี้จะเป็นพวกที่ชอบทําบุญชอบรักษาศิ่พอกลับมาเกิดใหม่ก็จะมาทําบุญใหม่มารักษาสิ่งใหม่เพราะติดใจกับการที่ได้ไปท่องเที่ยวตามสวรรค์ชั้นต่างๆเห็นคุณเห็นประโยชน์ของการทําบุญให้ทาน เห็นคุณประโยชน์ของการรักษาศีลเห็นคุณประโยชน์ของการนั่งสมาธิทำใจให้สงบเห็นคุณประโยชน์จากการฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาพวกนี้พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นพวกที่ชอบเข้าวัดเข้าวา่าชอบทาบุตรชอบรักษาศีลกันส่วนพวกที่กลับมาจากอบายนี้ เป็นพวกที่ชอบกินเหล้าเล่นการตานเที่ยวกลางคืนคบคนไม่ดีเป็นมิตรชอบความเกียดคร้านชอบทำบาปชอบฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวงพวกนี้พอกลับมาก็จะมาทำตามที่ชอบต่อไปแล้วพอตายไปก็กลับไปใช้กรรมไปติดคุกติดตารางใหม่ นี่คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในในในรอบสองรอบรอบที่ดีกับรอบที่ไม่ดีรอบที่ดีก็คือพวกที่ทำบุญทำทานรักษาศีล น, นั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมพวกนี้ก็จะไปวนเวียนอยู่กับสวรรค์ชั้นต่างๆส่วนพวกที่ทำบาปทำกรรมเสพอบายยามุกต่างๆ พวกนี้ก็จะวนอยู่ในรอบต่าคือไปเกิดในอบายไปเป็นเปรตบ้างเป็นเดรัจฉานบ้างไปตกนรกบ้างพอออกมาก็กลับมาทำบาปใหม่มาเสพสุรายยามามาเล่นการประนันใหม่เดี๋ยวพอตายไปก็กลับไปใช้กรรมใหม่ยกเว้นว่าถ้าได้มาเกิดแล้วมาเกิดในครอบครัวของคนที่มี มีบุญมีกุศลเช่นพ่อแม่ชอบเข้าวัดพ่อแม่ชอบทำบุญก็จะชวนลูกเดึงลูกพาเข้าวัดถ้าลูกมากับพ่อแม่บ่อยๆก็อาจจะติดใจชอบก็อาจจะเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เวลามาวัดจะได้ยินได้ฟังที่จะสอนไม่ให้ทำบาปไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับอบายยงกต่างๆ ถึงแม้ว่าใจจะชอบแต่พอมาได้ยินได้ฟังถึงโทษของการทำบาปโทษของการเสพอบายามุกก็เปลี่ยนใจฝืนใจเวลาอยากจะกินเหล้าก็ไม่กินอย่างวันนี้พออยากจะกินเหล้าก็บอกอกินไม่ได้แนละ้วเพราะวันนี้รักษาศีลห้านี่ก็จะสามารถเปลี่ยนได้คนที่เคยไปตกนรกไป ใช้กรรมในอบายถ้ากลับมาเกิดอยู่กับครอบครัวที่ดีแล้วคอยสอั่งคอยสอนคอยพาไปทำในสิ่งที่ดีต่อไปก็จะติดนิสัยได้แล้วก็จะชอบทำในสิ่งที่ดีก็จะแก้การที่จะต้องไปเกิดในอบายได้มาทำบุญกับพ่อแม่มารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆเข้า ต่อไปก็จะติดเป็นนิสัยได้แล้วก็จะเลิกทำบาปเลิกเสพอบายามุกได้ก็จะเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการที่ไปเกิดในบายไปสู่การไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆแล้วถ้าเกิดศรัทธามาวัดบ่อยๆเห็นพระมีความสงบมีความสุขก็อยากจะเป็นเหมือนพระก็มาบวชกันพอบวชแล้วปฏิบัติ ตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนเดี๋ยวก็ได้ไปถึงพระนิพพานไม่ต้องกลับมากะเวียนไหว้าตายเกิดต่อไปเรื่องของชีวิตจิตใจนิสัยของเรานี้เราเปลี่ยนได้นิสัยที่ไม่ดีเราเปลี่ยนให้เป็นนิสัยที่ดีได้แต่เราต้องบังคับตัวเราอยู่เฉยๆมันไม่เปลี่ยนเช่นเวลานึกอยากจะกินเหล้าก็บอกไม่กินอยากจะเล่นการพ น, นันก็ไม่เล่น อยากจะไปเที่ยวกลางคืนก็ไม่ไปอยากจะทำบาปก็ไม่ทำต้องฝืนนี่การจะฝืนได้เราต้องมีคนสอนเราก่อนเราต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เราจะไม่รู้ว่าเราควรจะทำอะไรไม่ควรทำอะไรถ้าไม่มีใครสอนเราก็จะทำไปตามนิสัยเดิมของเรา ถ้าเราชอบทำบาปเราก็จะทำบาปถ้าเราชอบเล่นการพ น, นันเราก็จะเล่นการพ น, นันแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนว่าการทำบาปไม่ดีการเล่นการพนันเสพอบายมุกต่างๆไม่ดีนำไปสู่ความทุกข์ ถ้าอยากจะมีความสุขก็ให้ทำบุญให้รักษาศีลให้นั่งสมาธิให้ฟังเทศน์ฟังธรรมถ้าทําตามที่พุธเจ้าทรงสอนได้ก็จะได้ไปถึงสวรรค์ชั้นนิพพานแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปโอกาสที่เราจะได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นสาณาเป็นที่พึ่งของเรานี้ก็ไม่ใช่ เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเพราะนานๆนนจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นสารณะเป็นที่พึ่งให้แก่สัตว์โลกสักครั้งหนึ่งสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญ น, นั้นสมัยนั้นยังไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมคาสอนไม่มีพระสงฆ์องค์เจ้าพระพุทธเจ้าเลยต้องเป็นที่พึ่งของตนเอง ต้องศึกษาเองต้องดูว่าการกระทําแบบไหนเป็นคุณการกระทําแบบไหนเป็นโทษกว่าจะได้ไปถึงพระนิพพานก็ต้องทรงลำบากอย่างมากมายต้องสร้างบุญสร้างบา ร, รมีมาเป็นร้อยกับร้อยกันด้วยกันกว่าที่จะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าแต่พวกเรานี้โชคดี เราได้มาเจอพระพุทธศาสนาที่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีพระอาลัยสองสาวกเป็นผู้กระทํำปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้เรียนรู้และได้เอามาเป็นตัวอย่างเราสามารถที่จะไปถึงพระนิพพานได้ภายในชาตินี้เลยไม่ต้องเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ต้องไปสร้างบุญบรารมี พ่อต้องศึกษาค้นคว้าหาทางไปพระนิพพานด้วยตนเองแต่ตอนนี้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ที่มาชี้ทางให้กับพวกเราแล้วการฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ก็เป็นการศึกษาทางที่จะพาให้เราไปสู่พระนิพพานให้เราได้หลุดพ้นจากทุกภัยอันตรายต่างๆทงัทง้ท ง, งหลายที่พวกเรากําลัง ก็เชิญกันอยู่ในขณะนี้ทุกต่างๆยังไม่หมดเนี่ยวันพรุ่งนี้ยังมีทุกรอเราอยู่ทุกที่เกิดจากการสูญเสียทรัพสมบัติเข้าของเงินทองทุกที่เกิดจากการสูญเสียคนที่เรารักไปทุกที่เกิดจากการที่จะต้องเจอสิ่งที่เราไม่อยากจะเจอกันอันนี้ยังรอเราอยู่ ตราบใดที่ยังมีลมหายใจยังมีชีวิตอยู่ยังมีความทุกข์รอเราอยู่แต่ถ้าเราได้ได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งของเราแล้วเราจะมีเกราะคุ้มครองใจของเราถึงแม้ว่าเราจะเจอเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ดีแต่ใจของเรานี้จะไม่เดือดร้อนถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นที่พึ่งของเราถึงแม้ว่าเราจะแก่เราก็จะไม่ทุกกับความแก่ถึงแม้ว่าเราจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะไม่ทุกกับความเจ็บไข้ได้ป่วยถึงแม้ว่าเราจะต้องตายเราจะไม่ทุกกับมันถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเกราะคุ้มครองใจเหมือนกับพวกที่เขามีเสื้อกันกระสุนเวลาถูกปืนยิงเข้าไป ก็จะไม่เข้าไปถึงตัวของร่างกายจะติดอยู่ตรงเกราะเกราะการกระสุนฉันใดพระพุทธพรธรรมพระ ส, ระสงนี้ก็เหมือนเป็นเกราะการกการความทุกข์ต่างๆที่เรายังต้องเผชิญกันก่นกอนก่อนที่เราจะตายจากโลกนี้ไปและไปอยู่บนสวรรค์ชั้นนิพพานแบบไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งของเราวิธีที่จะทําให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะก็คือเราต้องศึกษาคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อศึกษาแล้วเราก็ปฏิบัตินําเอาคําสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติมาปฏิบัติกัน อย่างวันนี้เรามาปฏิบัติตามคำสอนแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้ทาบุญให้ทานให้แบ่งปันทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ที่เวลาเวลาเราตายไปเราก็เอาไปไม่ได้อยู่เราก็ไม่ได้ใช้มันก็เอานี้ไปทาบุญทาทานกันทําบุญทำทานแล้วก็ให้รักษาศีลกัน เบื้องตน้นจะให้หันรักษาศีลห้าไปก่อนพอรักษาศีลห้าได้วันพระก็มารักษาศีลแปดกันถ้ารักษาศีลแปดได้ก็จะทําข้อที่สี่ข้อที่สามได้ก็คือให้มานั่งสมาธิทําใจให้สงบกันการจะนั่งสมาธิได้ต้องมีเวลาการจะมีเวลาก็ต้องไม่ไปทําสิ่งต่างๆที่เราเคยทํา เช่นไปดูหนังฟังเพลงไปกินไปดื่มไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆถ้าเราอยากจะนั่งสมาธิเราก็ต้องใช้ศีลแปดเป็นตัวห้ามใจไม่ให้ไปเที่ยวถ้าเราถือศีลแปดเช่นวันนี้เราก็จะไม่ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆเราจะไม่ไปร่วมหลับนอนกับใครเราจะไม่ไปกินอาหารมือเย็นไม่ไปกินเลี้ยง ที่ตามสถานที่ต่างๆไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ร้องลําทําเพลงไม่แต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาภรรดวิจิตพิสดารเพื่อเสริมความงามทางร่างกายแต่เราจะเอาเวลาเหล่านี้มานั่งสมาธิทําใจให้สงบถ้าเรานั่งสมาธิทําใจให้สงบได้เราจะได้ความสุขระดับพรห ม, มโลก ตายไปเราก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรมวโลกถ้าเรายังไม่ได้สมาธิได้พิแลการทําบุญให้ทานได้แต่การรักษาศีลตายไปเราก็จะไปได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นเทพที่ต่ํากว่าสวรรค์ชั้นพรมแล้วถ้าเราอยากจะให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดเราก็ต้องเจริญปัญญาการเจริญปัญญาก็คือ ต้องฟังเทศฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าให้รู้ว่าวิธีที่จะทำให้เราไปพระนิพพานนั้นไปอย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าอย า, อยากจะไม่กลับมาเกิดก็ต้องตัดความอยากให้หมดไปตัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปเวลาอยากก็อย่าไปทาตามความอยากเวลาโลภ ก, ก็อย่าไปทาตามความโลภเวลาโกรธก็อย่าไปทําอะไร เดี๋ยวต่อไปความอยากความโลภความโกรธต่างๆมันก็จะหมดไปพอมันหมดไปแล้วก็จะไม่มีอะไรมาดึงให้เรามาเกิดใหม่อีกต่อไปนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งทรงสอนให้พวกเรามาปฏิบัติกันมาทำบุญให้ทานมารักษาสิงมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญากัน เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมาทุก์กับการเกิดการแก่การเจ็บการตายไม่ต้องมาทุกข์กับภัยอันตรายต่างๆที่เรากำลังเผชิญกันอยู่ในขณะนี้สาเหตุที่เรายังต้องกลับมาเกิดก็เพราะว่าเรายังมีความอยากนั่นเองยังอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากเที่ยวอยากเล่นอยากหาความสุขทางต า, ตาหูจมูกิ่นกาย ยังอยากเป็นนั่นเป็นนี่ยังอยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่ให้เป็นอย่างนี้ความอยากเหล่านี้แหละที่ทำให้เราตายตายไปแล้วต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องหยุดความอยากเหล่านี้วิธีจะหยุดความอยากเหล่านี้ก็ต้องมีใจที่สงบแล้วก็มีคำสอนของพ่อพระเจ้าคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าการกระทาตามความอยาก จะนำไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายจะนำไปสู่ความทุกข์ต่างๆอย่างที่เรากำลังเผชิญกันอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าเราหยุดความอยากได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเราก็จะไม่มีความทุกข์ต่างๆเหมือนกับที่เรากำลังมีอยู่ในขณะนี้นี่คือการสร้างที่พึ่งทางใจ ด้วยการศึกษาคำสอนของพระพุทธพ่อธรรมผสมแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธพ่อธรรมผสมแล้วเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้หลุดพ้นกันเพราะการกระทำก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ทำบุญให้ทานรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญปัญญา ถ้าพวกเราทำบุญให้ทานรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญปัญญาเราก็จะได้ไปถึงพระนิพพานเหมือนกันจึงขอให้เรามีความเชื่อมั่นว่าคำสอนของ พ, พ่อพทธเจ้านี้เป็นคำสอนที่เราสามารถพิสูจน์ได้ที่เราจะได้รับผลตามที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้อย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการนบวัดในวันพระนี้ เพื่อมาสร้างสารณะสร้างที่พึ่งทางใจให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอหยุดติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ ยงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแข้วคกร่งปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเทอ